ต่อไปนะครับค้่สาข้อที่สามนะอทีกสามพิสุรูปใดเข้ากยังที่อาศัยวัดของพิสุนีแล้วพึงโอว่าพิสุนีทั้งหลายยกไว้แต่มีสมัยที่จาเป็นต้องอาบัติจิตตีสมัยในเรื่องนั้นคือพิสุนีเป็นไข้นี่เป็นสมัยในเรื่องนั้น เพราะว่าจาเอาว่าพิษุณีเนี่ยพิสุณีเขาจะมาขอว่ากับพระที่วัดใช่ไหมครับแล้วก็มารากว่านในว่างเลยนะแต่ว่าเนี่ยพิสุนคะครับถ้าว่าเข้าไปถึงนับพิษุณีเลยนะแล้วก็ไปแสดงฐานความก็จะต้องบักไปอีกในศีรษะตรงนี้เลยครับทำมาทํำนานถ้าพิษุณีมาใช่ไหมอันนี้ก็เข้าไปถึงที่เลยนะครับไปสองแฟงอะไรเลยในฝ่าบักไปตีนะครับ ก็เว้ไปแต่สมัยที่จําเป็นนะสามมันจะสอนได้คืออะไรอะได้นนสมัยที่พิจุนีเป็นไข้ป่วยนะครับวันนี้พิจุนีเป็นไข้ป่วยเข้ามาไม่ได้บางคนใช่ไหมเขาต้องการที่จะฟังธรรมถ้าเข า, ขาขสามไม่ดีไปเยี่ยมแล้วก็ไปแสดงธรรมไม่ฟังได้ไม่เป็นอาปาอะไรดนะีครับในกรณีพิจุนีป่วยนะแต่ก็าธรรมาดาเนะี่ยไม่ได้ทําพิจุนีมาวัดแล้วก็แสดงธรให้ฟังนี่จะเข้าไปสอนถึง สมมติวิจตร์มีอะไไม่ได้นะทีนี้การต้องอาบอนะัตเป็นยังไงนะครับถ้าบองว่ากาบสอนด้วยขั้นรทแปประการนะต้องบบปาจิติไรนี้ไม่ได้หมว่ากาบสอนนี้ทํางอื่ต้องแา อ, อันนี้พูด่าแต่แคเพราะวันนะี <c oughs> <c oughs> ้ต้องมีมารีถึงนะหายยิ่งไปหลายเนอามาดูต้นไม้ใหญ่เลยก็น่น <c oughs> นา คือบอกว่าดูความอธิบายนิดนึงนะควอมอธิบานิดนึงก็ไม่มีอะไรนะอ่านกับอ่อานกลางคายฟังนิดหนึ่งนะถ้าบอกว่าสถานที่อยู่ของนางพิษุณีนันะ้นแม้เพียงคืนเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นที่พักของพิสุณีนะไม่ได้สั่งสอนก็คือสอนให้ครูทำแปดประการเท่านั้นนะเอาสอนี้ทําอย่างอื่นไม่เอานะครับอันออนี้เฉพาะสอนให้ครูทำแปดประการนี่แหละ ในนี้ต้องบัติปาจิตตีในสิขาบท น, นี้นะครับแต่พระพิสุไม่ได้รับแต่งตั้งเลยใช่ไหมไม่ได้รับแต่งตั้งด้วยแล้วก็กล่าวสอนด้วยนะครับแล้วพราที่ตกดินด้วยก็จะต้องอาบัติสามตัวนะครับต้องอาบัติเพราะว่าตัวแรกก็คือไม่ได้รับแต่งตั้งและกล่าวสอนใช่ไหมครับตัวที่สองก็เข้าไปสอนสนทพิสุนี ต้นที่สามก็ภาพที่ตกดินแล้วก็ยังสองจะต้องไปทีสามดูบอสอันนี้ก็ไม่เห็นอะไรนะ้นะถ้าพิสูินเป็นไข่ก็สา ม, มารถแสดงได้เลยครับแล้วก็มาดูต้นมันใหญ่เมื่อแต่ว่ามัาสักครั้งเพราะว่าถ้าต้นมันใหญ่ทำให้เข้าแก่สังขารหมดได้ดีด้วยนะต้นมันใหญ่ก็เรื่องพระชบาขีนะครับโดยสมัยพระมภาพพระเจ้าประทํา อ, อยู่ณนินคโครธารามเขตพระนครกับวิรพัฒน์สังกัดชนบท ครา้นั้นก็จปกีเข้าไปสู่สำนักพิษุณีแล้วกล่าวสอนพิษุณีฉบักขีอยู่พิสุณีทั้งหลายในการทํานี้การพิษุณีฉบักขีว่ามาเถิดแม่เจ้าทั้งหลายพวกเราจะไปนักโอว่างกันพิษุณีฉบักขีก็มีนะครับก็นิสัยก็พอๆกันนะเ้าอะไรเข้ากันได้นะเนี่ยน้องหญไม่ต้องไปไหนพระเจปกีมาเองแล้วก็มาสอนพวกพิษุณีฉบักขีนะครับพวกนี้กัน ที่นั่นบอกว่าสาัตวโลกเข้าได้ตามาใช่หคือตามทยาสายเป็นอย่างจริงนะครับผู้ที่มีทายาสายเร็วนะก็ข้าได้กับผู้ที่มีทยาสนะายในอยู่ต เ, เคยได้ยินใช่ัอาจารย์ผู้เฟังใช่ไหมครับที่ว่าพระสารีบุตรเดินมาใช่ไหมที่พระองตัด น, นะครับและบอกว่าอะไรนะแลวก็อยู่ที่สุนุอื่นที่เน้ารัพระสารีบุตรมาใช่ไหครับองค์ท้าพิสุนั้นรู้เป็นผู้ที่มีสัญญามาก และพิสุทธ์ที่เดินตามพรามงคลน้าก็ล้วนอะไรนะมีนิดมากที่เดินห้องร้องข่านลงมาก็ล้วนมีปัญญาแสกันมีปัญญามากหรือเปล่าได้เป็นผู้สูงเป็นผู้สูงนะครับที่เดินตามพระเทมาท่านมาไงอะไรล้ววนแต่มีความปัญนาราวมกนะครับมีความปัญนาชั่วนั่นแหละเนี่ยเข้ากันได้ไงทายาสายไปด้วยกันแลก็เลยอยู่ด้วยกันได้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะสงสันว่าสารโลกเข้าได้ตามธาตุใช่ไหมธาตุก็หมายที่อัจฉริยใสนะครับเราก็ดูว่าแล้วกันนะใครที่อัจฉริยะใสเหมือนกันเข้ามาหน้าก็จะอยู่เป็นกันนะครับอย่างที่เนี่ยเรามีอัจฉริยะสเหมือนกันใช่ไหมเรากม็มาอยู่ร่วมกันที่ว่าขอสนามใช้ได้นะครับ <c oughs> อาจจะไม่ทุกอย่างนะแต่ว่าอัาฉัิยใสในการารักษาศีลมัเหมือนกันใช่ไหมเราก็เลยมาอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับนี่แหละนี่น ต้องฟันครับแล้วเป็นยังงล่ะทีนี้พิสุณีฉับปะคีน่ะพิสุณีทั้งหลายก็เขาก็เชิญให้ไปรับโอวัชนะครับพิสุณีฉับปกคีเขาพูดว่าแม่เจ้าทั้งหลายพวกเราจะต้องไปเข้าเฮี่ยนโอวัชทําไมเพราะว่าคุณเจ้าฉับปะคีกาำสอนพวกเราอยู่ที่นี้แล้วเนี่ยบไปทําไมใช่ไหมถ้าคุณเจ้ามาสอนถึงที่เลยไมต้องไปนะครับพิสุนีทั้งหลายจับทางแล้วเพ่งตัง้เดรียมบท น, นาว่า ชาไห น, นก็จะเบิกคีย์จึงเข้ามาต่างสอนพวกพิษุณีถึงสำนักพิษุณีเล่าแล้วแจ้งเรื่องนั้นแก่พิษุชลวายพิจุผู้มากน้อยสนต์ก็เพยงเข้าอยู่เตรมทนาแล้วก็กราบพระเจ้าสรงสาราบพระดวงประชุมสงศ์ทงสอบถามทรงสิ่นเตี้ยและก็มีศึกษาบทขึ้นมาครั้งแรกนังไม่มีไปเม่แต่สมัยนะมีแต่ว่าอันหนึ่งพิจุใดเข้าไปสู่ที่อาศัยสำนักแห่งพิษุณี แล้วสั่งสอนผู้พิเศษนิเป็นปันตีเราสมัยต่อมาก็มีเรื่องของพระนามมหาปชาบดีโภติีเกิดขึ้นนะตอนจากสมัยนั้นมาพระมหาประชาบดีโภติวีทะเลาะผ้าก็พระนานเงเนียโปวยนะพระเทหลังหลายก็เข้าไปเยื่ยพระนางถึงสำนักนะครับแล้วก็ได้กล่าวถามนะว่าดูก่อนพระโตรติวีท่านยนพอทนได้หรือยังพออห้กับผ้าเป็นไปได้หรือพระนางก็ตอบว่าดิฉันทนไม่ไหว ให้จับภาพเป็นไปไม่ได้เจ้าข้าคงจะป่วยมากครับขอราตนาพระคุณเจ้าทั้งหลายโปรดแสดงธรรมเถอเจ้าข้านะทีนี้พิจิตรงหลายก็เลยกล่าวว่าดูกรน้องหญิงการเข้ามาสู่สำนักพิชณีแล้วแสดงธรรมแก่พิชณียังไม่สมควรก่อพระนเน่าเหล่านั้นกาวดังนี้แล้วต่างก็ลังเกียจไม่แสดงธรรมเพราะพระเจ้ า, จาสมัยสึกษาบอกว่าอะไรใช่ไหมท่านก็ไม่รู้น้ำเงินไม่ยอมแสดง ทนี้ท้ายวันนาเช้าพระดวงก็เสด็จไปเยี่ยมพาามระนาขงผนายมชากบุรีโคตมีบ้านนะครับพระงก็สั่งถามนะยังพอไปได้หรือนะดูก่อนโคตมีเธอยังพอทนได้หรือยังพอจะไป ไ, ปได้หรือพระนานก็เลยกล่าวทึงว่าเมื่อก่อนพระเจ้าทัาา้งหลายพาจงมาแสดงทำแก่งหม่งฉันเพราะเห็นนั้นหม่งฉันจึงมีความสมาุำนากแต่บัดนี้ท่ากล่าวว่าพาระองค์ทรงห้ามแล้วจึงรังเกียจไม่แสดงเพราะเหตุ น, นั้นหม่งฉัน จึงไม่นความสำนากทจะเจ้าข้านะครับพระองก็แสดงทําให้พรานางฟังนะให้พระนานสมาทานอาหารด้าหรือทํากระฐานนะครับและพระองก็ทรงอนุบรรยายขึ้นมานะครับอนุบรรยายก็ที่มีความด้าไว้ไม่แต่สมัยน้ะมีไม่แต่สมัยที่ว่าพิจุนิยาข้านะครับอันนี้ได้ก็จบนะอันนี้